บรรยากาศเช้าเ้าไม่รู้ว่าพวกญาติโยมง่วงนอนหรือเปล่าจะท่องกรนเสียงปุกรับปรุรูให้ฟังสุริโยไทยไขยแสงไกลแจ้งแล้วฝูงวิหกลองเจ้๊ยแจวสแสวงหาซึ่งอาหารทะยานไปในนภ า, าหมูปักษายังขยันหมั่นหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใหญเล่าตื่นแต่เช้าเพื่อเกาจิต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 ยึดประธรรมมาประคองกับดวงใจเป็นอนุสัยเป็นปัจจัยในภายหน้าเป็นปัญญาบารามีชี้แจมใสเมื่อไม่หลงเพลิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญท่านไซตตื่นขึ้นรับสับธรรมคงหายง่วงนะธรรมะเก็บตกรับบรุณเชา้านี้ก็จะนำเรื่องราวธรรมะนอกรูปแบบของครูบาอาจารย์มาเล่าให้ญาติโยมฟังกันเรื่องแรก จะเล่าเรื่องของหลวงพ่อประสิทธิ์ถาวโรวรดถ้ำเยปิกหลวงพ่อประสิทธิ์ท่าเนเบคูบาจาร์ที่มีชีวิตค่อนข้างจะโลดโผนกว่าครูบาอาจารย์ท่านอื่นท่านก็สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้และท่านก็มีอุบายสอนพระสอนม่ชี้บางเรื่องก็อาจจะรุนแรงบ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งมีพระอยู่ท่านหนึ่งมากราบ หลวงพ่อแล้วก็ยื่นพวงประคำให้พระรูปนั้นก็เอ่ยขึ้นว่าผมเนี่ยเดินทุ ด, ดงไปทั่วเพื่อหาครูบาอาจารย์ที่มีพลังจิตเพื่อจะมาเติมพลังให้ประคำพวงนี้เพื่อจะได้ขังยิ่งขึ้นแล้วส่งให้หลวงพ่อหลวงพ่อประสิทธิ์รับประคำมา แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลวงพ่อเฟี้ยงโพมาคำเนี่ยไปกระฝาผนางังแบบเต็แมแรงเลยจนรูปประคำเนี่ยแตกกระจายสร้างความตกตะลึงให้กับพระท่านนั้นท่านยังวิ่งไปตะคุบเม็ดประคำที่แตกเกื่อนแล้วก็ตัดพ้อด้วยอารมณ์ว่าหลวงพ่อไม่เมตตาผมเลย หลวงพ่อก็เอ่ยขึ้นว่าทําให้ดูขนาดนี้แล้วรูกประคำเนี่ยอย่าคุ้มครองตัวเองไม่ได้เลยยังแตกกระจายอยู่อย่างที่เห็นเนี่ยยังจะยึดยังกระพึ่งพามันได้อีกหรือบางครั้งเวลาคนมาตําหนิหรือด่าว่าหลวงพ่อก็ให้อุบายพระแม่ชียัตยโยมในวัดเนี่ยให้ยกมือพนมมือขึ้นเหนือหัวแล้วก็พูดคิดว่า สาธุจงจำเริจเรนรำรรร จ, จ, ำรจำเริญยิ่งขึ้นไปถ้าใครด่าว่าด้วยคารุนแรงก็ให้แผ่เมตตาอุทิศกุศลให้คนที่ว่าแล้วก็เจ้าประคุณขอให้จำเรินจำเริญยิ่งขึ้นไปถ้าทําบ่อยๆจิตใจก็อ่อนโยนทําให้มีเมตตาอั น, นทําให้ล้นละความโกรธได้และถ้าใครมาบอกว่า เราไม่ดีก็ให้ยอมรับไปว่าเราไม่ดีจริงๆแหละเพราะเราต้องตื่นขึ้นมาก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําร่างกายเราก็เป็นสิ่งปฏิกูลต้องหาอาหารมากินต้องดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยหาอยู่หายามมารักษาคือมันไม่ดีจริงๆให้ยอมรับไปเพื่อจะได้ขายความยึดมั่นในตัวนในตน หลวงพ่อสิทธะก็ทำได้จริงนะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านโดนพระนักเลงเอาไม้หน้าสามตีท่านจนเลือดไหลาอาบเลยพระท่านนั้นถามท่านว่าท่านแน่หรือหลวงพ่อท่านไม่อยากมีเรื่องท่านก็บอกว่าผมไม่แน่หรอกครับยอขนาดนั้นพระรุ่นนั้นก็ไม่ฟังอ่ะเอาไม้ตีท่านจนเลือดไหลาอาบขณะดที่โดนตีท่านก็มีสติตามดูร่างกาย ที่แตกเลือดไหลาอาบแล้วก็ไม่โกรธไม่คิดตอบโต้อยืนนิ่งสงบให้เราตีกระหน่าท่านก็คิดในใจก็ดีเหมือนกันเอาเลือดเราเนี่ยล้างธนีสงฆ์ญาติโยมที่อยู่บริเวณนั้นเห็นเข้าก็ต่างตกใจแล้วก็วิ่งเข้ามาดึงพระรูปนั้นออกไปแล้วก็พาท่านไปส่งโรงพยาบาลก็เย็บอยู่หลายเข็มพระนักเลง ท่านนั้นก็โดนตำรวจกับชาวบ้านจับศึกหลังจากศึกแล้วก็มากลับขอเข้ามาท่านท่านก็ไม่โกรธแล้วก็อโหสิกรรมให้เรื่องหลวงพ่อประสิทธิ์มีอีกเยอะอันมาก็คัดมาบางประเด็นเท่านั้นคืออามาเป็นอธรมมมักคุ้นกับว่าเท่ยาจะปิกไงนะไปบ่อยจนรู้จักพระกับแม่ชีที่นั่นที่นั่นพระจะไม่ศึ ก, ก น, นะแม่ชีก็ไม่สึก จะไม่มีพระใหม่เลยตอนนี้ถ้าไปอ่ะพระที่ดั้งสุดท้ายก็ภาษาสิบกว่าแล้วคือพระกับแม่ชีที่ทบวชอ่ะจะสัญญาเขาหลวงพ่อว่าจะบวชไม่สึกเลยคือบวชจริงต่างกับที่อื่นที่บวชแล้วสึกได้ที่นั่งจึงพระน้อยแม่ชีน้อยแต่ทุกคนก็ศรัทธาท่านนะจึงมาบวชแล้วก็เห็นว่าธรรมะของท่านเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยออกจากกองทุกได้เรื่องต่อมา หลวงปู่บุตดาถาวโลท่านเป็นรัตัญยูอายุยืนท่านมรรูุธรรมตั้งแต่ยังหนุ่มๆ ม, มีครูบาอาจารย์นับถือท่านทั่วประเทศท่านเล่าว่าสมัยก่อนได้ไปเทศที่แห่งหนึ่งสองธรรมาติศกับเจ้าคุณปทอแปดประโยคาเจ้าคุณ ข, ขนาดคือธรรมาก็ถามท่านว่าจะพูดเรื่องอะไรหลวงปู่ก็ตอบว่าจะพูดเรื่องตัวโกรธกิเลสตัณหาเจคุณก็ถามต่อว่าแล้วตัวโกรธหน้าตามันเป็นยังไงหลวงปูป่บุษดามองหน้าเจ้าคุณด้วยสายตาที่จ้องเขมง็งและจริงจังมากแล้วก็ค่อยเอ่ย ตัวโกรธหน้าเหมือนส้นตีนไงได้ยินดังนั้นเจ้าคุณปทอแปประโยคเนี่ยแทบช็อกเพราะไม่คิดว่าหลวงปู่จะพูดแบบนี้เมื่อกี้อารมณ์ดีๆอยู่ยโกรธโกรธมากเลยโกรธจนพู ด, พดธรรมะไม่ได้เลยจนหลวงปู่บุตธดาต้องพูดธรรมะท่านเดียวจนจบหลังจากพูดธรรมะจบแล้ว หลวงปู่ก็ไปกราบขอเข้ามาเจ้าคุณแล้วเกิกดขึ้นว่าตัวโกด์น่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละหน้าแดงๆคอแข็งๆเทปไปออกเทปไม่ได้ปู่ยังเล่าต่อสมัยที่ยังหนุ่มๆเนี่ยเวลาโกรธหครั้งหลวงปู่ก็จะกราบพระ3ครั้งโกรธสองครั้ ง, ก, ง, ง, ก, ง, ง, ก, ง, งก็จะกราบ6ครั้งโกรธร้อยครั้งก็จะกราบ300ครั้งถ้าบ่อยๆตัวโกด์เนี่ย ม, มันกลัวคนกราบพระ มันก็ไม่กล้ากดอีกเลยอันนี้เป็นอุบายทำของท่านเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของสมเด็จพระจานทร์โตผมรังสีเมื่อครั้งที่แล้วเอามาก็เล่าไปแต่ครั้งนี้เจริญมาเล่าใหม่เพราะมันเพราะว่าเรื่องนี้อามาชอบสมเด็จโตหรือหลวงพ่อโตเนี่ยมีอีกครั้งหนึ่งท่านได้นิมนต์ไปผู้ธรรมะสองธรรมะกับพระพิโมนธรรมหรือเจ้าคุณถึก แห่งวัดพระเชดุพลเจ้าคุณถึกก็ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าโทโสเนี่ยเป็นเหตุให้คนต้องเสียทรัพย์สินเสียพี่เสียน้องเสียเพื่อนเสียที่เสียทางเสียเหลี่ยมเสียแต้มโทโสสร้างความทุกข์ให้แก่เจ้าของมากนักแล้วก็เอ่ยถามหลวงพ่อโต ซึ่งมีสมนนศักดิ์สูงว่าท่านว่าโทโสเมื่อเกิดขึ้นเกิดที่ไหนเกิดได้อย่างไรขอให้ตอบให้ขาวครับหลวงพ่อโตก็แก้งหลับไม่สนใจแถมยังกลนด้วยเจ้าคุณถึกจึงเอ่ยถามอีกสองสามครั้งก็เหมือนเดิมหลวงพ่อโตก็กลนจนเจ้าคุณถึงไม่พอใจอะ ตอนนี้ตว่าเสียงดังเลยถามไม่ตอบนั่งหลับอีกสองคำค้งด้วยเสียงอันดังหลวงพ่อโตก็แก้งตื่นทีนี้เมื่อกี้แก้งหลับแล้วก็ดา่าเออกว้ว่าไอเ้เพจไอ้ฮาไ อ, กากไอ้กาอิถกควรคนหลับพอได้ฟังเท่า น, นั้นแหละเจ้าคุณถึกโกสุขีแล้ตอนนี้ด้วยการเผลอสติจึงหยิบกระโถนเนี่ย กระโถดินเผาเฟี่ยงไปที่หลวงพ่อโตแต่มือเอินเสี่ยงไม่โดนกระโถไม่โดนเสาแตกดังเพราะสร้างความตกตะลึงให้กับญาติโยมที่มาฟังทำแต่หลวงพ่อโตกับนั่งสงบแล้วเอ่ยขึ้นว่าโทโสเกิดขึ้นเมื่ออนิฐาลมเห็นรูปไม่ถูกใจเสียงไม่น่าฟัง กิ่นไม่น่าดมลดไม่น่ากินสัมผัสที่ไม่สบายความคิดที่ไม่ถูกใจมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อไม่ทานสำรวมความโกรธก็ดันออกมาข้างนอกให้รู้ว่าเขาโกรธอย่างเช่นเจ้าคุณถึกเป็นต้นโทโสไม่ว่ายังไงก็ไม่มีอิทธิพลที่จะ ก, กดขี่ จิตใจเจ้าของยกเว้นเจ้าของเผอสติเช่นเจ้าคุณถึกโทโสจิงกดขี่ได้หลวงว่าโตจะเน้นยกตัวอย่างให้โยมให้เห็นว่าเจ้าขุณถึกเนี่ยถูกโทโสกดขี่เมื่อเขาชมท่านก็ดีใจเขาดา่าท่านก็โกรธอย่างเช่นเจ้าคุณถึกท่านไม่สังวร เป็นเพศพระจึงกลายเป็นเพศโผลกระโถนแตกท่านชี้ให้ญาติโยมเนี่ยเห็นความโกรธของเจ้าคุณถึกอันนี้ญ า, าติญาโยมก็เห็นจริงๆอ่ะมันไม่ได้ออกจากหนังสือไงออกจากเห็นการการะทำเพราะคนเราเนี่ยถ้าขาดสติมันสามารถแสร์ความโกรธได้ต่อหน้าฐาะกรรมนันอันนี้ก็เป็ น, ปนอุบายทารมของท่านนะท่านชี้ให้เห็นเป็นการสอนแบบสัมผัสได้ เหมือนหลวงปวู่ดู่ดาที่ทำให้เจ้าคุณปท .8 โกรธจริงๆคือธรรมะที่เรามานำเนี่ยเราญาโยมฟังเนี่ยเป็นธรรมะที่แปลกๆนอกนอกธรรมาสามารถนำมาใช้เกี่ับชีวิตประจำวันได้อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจทั้งหลายนี่แหละเป็นสาเหตุให้เกิดความโกรธเกิดโทโสขึ้นมาแต่ถ้าเรามองโลกในแง่ดี อย่างหลวงพ่อท่านนึงที่จังหวัดอุดรคือหลวงพ่อดีเนาะอัตมาเล่าบ่อยแต่อัตมาเห็นว่าวันนี้เป็นวันสั่งราก็นํามาเล่าให้ญาติโยม ฟ, ฟังอีกครั้งหนึ่งพ่อธรรมะของหลวงพ่อดีเนาะเนี่ยสามารถใช้ในชีวิตประจําวันและเกิดประโยชน์กับทุกคนตัวอัตมาก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ครั้งหนึ่งมีคนนิมนต์หลวงพ่อไปฉันเพนที่บ้านและแสดงธรรมด้วยหลวงพ่อก็รอเมื่อไหร่โยมจะมารับ คือโยมบ้านอยู่ไกลแกตกลงว่าจะรับแต่เช้าหลวงพ่อรอโยมก็ยังไม่มาทีจึงนำอาหารที่บิดบาทเนี่ยออกมาฉันท่านก็เอ่ยขึ้นว่าฉันอาหารของเราเองก็ดีเนาะตักอาหารใส่ปากได้ไม่กี่คำโยมก็มาถึงจะรีบขอให้หลวงพ่อรีบเดินทางหลวงพ่อก็วางช้อนลง ท่านก็เคิดว่าดีเนาะไปฉันบ้านงานก็ดีเนาะแล้วก็คือลรถไปรถวิ่งไปไปได้สักพักหนึ่งเครื่องกระดับดื้อคนขับก็ลงไปซ่อมซ่อมเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ติดไอ้คนขับก็มาบอกให้หลวงพ่อเนี่ยลงมาช่วยเข็นตอนนั้นหลวงพ่อก็แก่มากแล้วแหละหลวงพ่อก็ยิ้มยิ้บอกก็ดีเนาะไล้ออกกาลังกายเนาะ หลวงพ่อก็ไปช่วยเข็นจอดรถติดอะคายไปถึงบ้านงานก็เลยเพนหลวงพ่อและอดฉันเพนด้วยเลยญาติโยมก็นิมนต์ให้ขึ้นทำม้าหลวงพ่อก็เอ่ยขึ้นมาว่าดีเนาะมาถึงได้ทำหน้าที่เลยระหว่างที่หลวงพ่อพูธมะอยู่นั้นลูกศิษย์ก็ไปชงกาแฟมาถวายด้วยความรีบร้อนจึงหยิบเกลือใส่แทนน้าตาล นำมาถวายหลวงพอ่อหลวงพ่อใช้ไม่ได้คํานึงก็เอ่ยคิดว่าดีเนาะแล้วก็วางแก้วกาแฟไว้ลูกศิษย์เห็นหลวงพอ่อทานกาแฟเหลือจึงมาขอทานบ้างเพราะการทานของเหลือจากครูบาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นมงคลพอทานไปได้คำหนึ่งก็พ่นพูดมาเลยคิดิสปีเ่เ่ยหลวงพ่อใช้ไม่ได้ไงเนี่ยหลวงพ่อก็เอ่ยขึ้นมาว่าก็ดีเนาะฉันกาแฟหวานๆมามากแล้วเนาะ แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรคือหลวงพ่อเจออารมณ์อะไรท่านก็ดีน้อยหมดอะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมแต่เรื่องที่ดังก็คือเรื่องที่มีอยู่ครั้งหนึ่งโจรมาป้นท่านโจรมันสื่อมาแล้วว่าคิดว่าหลวงพ่อเนี่ยคงมีพระที่มีาาาราชักรลมากเป็นเจ้าคุณชั้นเทพเป็นกิจก จ, กจิอาจารย์ชื่อดังมีญาติโยมมาถวายปัจจัยของใช้มากบายโจรเขได้โอกาสก็มาป้น มาถึงก็ข่มขู่เลยมีทรัพย์สินมีค่าอะไรส่งมาให้หมดหลวงพ่อแทนที่จะตกใจกับ ก, บการข่มขู่ของโจรกับยิ้มอย่างอารมณ์ดีบอกก็ดีเนาะขนไปได้เลยโจรเนี่ยมันก็ไม่เคยเจอคนแบบนี้ก็เลยบอกป้นทำไมดีดีเนาะหลวงพ่อก็เอ่ยคิดว่าข้าเนี่ยเบื่อเฝ้าสมบัติบ้ า, บานนี้มานานละถ้าเองขนไปข้าจะได้หมดภาระ โจรก็คมพูดต่ออีกค่าเนี่ยไม่ได้มาแค่ป้นนะต้องค่าด้วยเพื่อปิดปากหลวงพ่อก็เอ่ยคิดว่าค่าก็ดีเนาะโจรมันก็สงสัยเห็นว่าหลวงพ่อไม่กลัวมันเลยทําไมค้างดีเนาะหลวงพ่อก็เอ่ยคิดว่าค่าเนี่ยแก่แล้วต้องมาดูแลร่างกายสังขารที่เสื่อมโทรมลงทุกวันทุกวันเองค่าค่าก็ดีเนาะโจรได้ยินดังนั้นก็ใจอ่อน อย่างนั้นฆ่าไม่ฆ่าหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อก็เลยคิดว่าอี ก, ไ, อกไม่ฆ่าก็ดีเนาะจนมันก็สงสัยจะเอาไว้กันแน่ฆ่าก็ดีเนาะไม่ฆ่าก็ดีเนาะหลวงพ่อก็เลยคิดว่าถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ยเองก็ต้องตํารวจตามจับหรือแม่ก็ถูกตํารวจฆ่าหรือติดคุกถ้าเองตายไปเองก็ต้องตกระลกบกไหมไม่ได้ถุดไม่ได้เกิดเองไม่ฆ่าฆ่าจึงดีเนาะจนได้ยินดังนั้น ก็สับนึกผิดจึงลากลับไปเลยไม่ป้นแล้วไม่ฆ่าอันนี้คือธรรมะการมองโลกในแง่ดีของท่านคือมองอะไรอะไรก็ดีเนาะหมดคำว่าดีเนาะที่ใช้ได้ทุกเรื่องนะอย่างถ้าเรารออะไรที่ใช้เวลารอนานมากไปหาหมอเนี่ยต้องรอหมอนานเราว่าก็ดีเนาะนั่งรอก็ไม่เป็นไรได้พิจารณาไปรอรถเมย์ นานก็ดีเนาะถูกคนฉินดินทาก็ดีเนาะเจออะไรที่ขัดใจเมื่อจะเป็นดินฟ้าอากาศอากาศร้อนอากาศหนาวฝนตกก็ดีเนาะเจอเรื่องอะไรเราก็สามารถเปลี่ยนลาให้กลายเป็นดีได้เพราะโลกธรรมเนี่ยมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีเสรเสริมีดินทามันไม่ได้ดังใจเราหรอก ส่วนมากเราอยู่กับโลกธรรมฝ่ายลบมากกว่าไอฝ่ายบวกมีบ้างแต่น้อยไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะโลกธรรมถ้าคนเข้าไปเป็นแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ทุกข์ถ้าเราจะไม่ทุกข์เราก็ต้องอยู่กับโลกธรรมฝ่ายลบไปได้ธรรมะที่อรามายกมาเมื่อจะเป็นหลวงพ่อประสิทธิหดด์หลวงปู่วดาหลวงพ่อโตหลวงพ่อดีเนาะก็คงเกิดประโยชน์กับญาติโยมเนี่ย ไม่มากก็น้อยพราทุกเรื่องที่ยกมาเนี่ยมันเป็นธรรมะที่แบบสัมผัสได้เลยจริงๆนอกรูปแบบเพราะเราจะชินกับธรรมะในรูปแบบไงธรรมะที่ตรงๆเข้าถึงอารมณ์เข้าถึงจิตวิญญาณจะไม่ค่อยมีใครกล้าพูดกล้าแสดงเพราะทุกคนกลัวโดนโกรธเดี๋ยวญาติโยงเกลียด ต, ต้องประจบให้โยมรักอันนี้โดยธรรมชาติแ้พูดแรงไปโยมว่เกลียดเหมนขี้หน้าอะไรเงี้ย พรโดยธรรมชาติคนเนี่ยจะชอบอารมณ์ที่ถูกใจไม่ชอบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจหรอกทุกคนก็พยายามทําให้ให้คนรักไว้ก่อนอย่ากเกลียดเราเลยอะไรเงี้ยธรรมะจริงๆมันอยู่ตรงข้ามไงมันต้องออกจากอารมณ์พวกนี้อย่างหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็บอกว่าถ้าคนมีปัญญาเนี่ยมองอะไรก็สามารถสอนธรรมะเราได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศธรรมชาติแม้แต่ศัติ์ สามารถสอนทําเราได้อย่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนอ่ะอย่างหลวงพ่อปัญญาเนี่ยที่วัดโฉบาทานท่านเป็นนักเทศชื่อดังนะเวลาถ้าเห็นคนมาดูบุหรี่ที่วัดเนี่ยหลวงพ่อก็ทําสิ่งที่คนคาดไปถึงคือหลวงพ่อไปดึงบุหรี่จากปากของคนที่กําลังสูบเลยคนสูบบุหรี่ที่งงนะหลวงพ่อดึงจากปากแล้วเฟี้ยงทิ้งอ่ะซึ่งพาลุอยู่ไปทําแบบนั้นทาแบบนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องแน่เลยถ้าทําแบบนั้น หรือหลวงพ่อพุทธธาตุใครไปขอหวยถ้าก็ชี้ไปที่หมาไปขอสมพานะ่ะหมาตัวนั้นชื่อสมพานนะนุ่นไปขอเขาหมาไปเธอไม่มีใครกล้าทําอ่ะมีมีแต่ครูบาอาจารย์ที่ถึงทําแล้วบางทีกล้าทําแล้วก็มองขับสอนเหล่านี้ไปอาจารย์เขแล้วกันทุกสิ่งอยากไปอาจารย์เราได้หมดหลวงพ่อพุทธธาตุเขาจะแต่งก้อนไว้มองถูกทุกคายมองอะไรหมอเห็นเป็นครูสอน มองไม้ขอนมองคนหรือค้นหามีสิ่งสอนเสมอไปมีปัญญาจะพบว่าล้วนมีพิษอนิจจังจะมองทุก์มองสุกมองให้ดีว่าจะเป็นไปอย่างที่เราหวังหรือเป็นไปตามบัจใจให้ระวังอยากคุ้มค้ั่งจะมองเห็นเป็นธรรมดามองโดยในให้สอนมันจะถอนโศกมองเยกโยกมันไม่สอนนอนเป็นบ้า มองไม่เป็นจะโทษใครที่ไหนมามองถูกค่าทุกข์ก็คลายสลายเองอันนี้เป็นก่อนที่ท่านแต่งไว้อัตมาก็ชอบกอนนี้มองอะไรก็เป็นครูสอนหมดท่นธรรมะอยู่รอบตัวเราแต่ถ้าเรามองไว้เป็นเราก็จะมองธรรมะจากตำรับตำรายอย่างเดียวอันนั้นประโยชน์น้อยเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้เพราะไปธรรมะของครูบาอาจารย์ของคนอื่นอัตมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ถือว่า ธรรมะไฟนี้เป็นไฟสั่งลาเพราะอีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วก็ ข, ขอให้ญาติโยมเนี่ยมีความสุขมีความเจอธรรมยิ่งขึ้นไปเอวัง